เดี๋ยววันนี้ขึ้นในปริเฉตที่8ดในปริเฉตที่8ดนี่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่จริงในยาของในแห่งการแสดงในอภิธรรมมัสังหะนี่นในปริเฉตที่8ดแต่ในหลักสูตรที่ทางท่านอาจารย์ส ธ, ธรรามโชติกะธรรมมาจริยะ ได้เป็นหลักสูตรให้กับนักศึกษาทั้งหลายได้จัดกั น, นท่านก็เอาอภิธรรมมัทธสังหะบาลีและคำแปลเป็นคาถาตั้งเขาไว้ก่อนก็มีไม่มากในคาถาของปริเชตที่8ก็จะมีทั้งหมดมีทั้งหมดก็ประมาณ10คาถาแล้วก็คาถาสรุปอีกบทหนึ่งเป็น11คาถาแค่นั้นแหละ นอกนั้นก็เป็นคำขยายคำอธิบายฉะนั้นตัวอภิธรรมมัทสังหะบาลีและคำแปลนั้นมีแค่เล็กน้อยแค่นี้แต่คำขยายนั้นกว้างขวางมากทีนี้ในการอธิบายในสองอย่างนะที่เราศึกษากันเนี่ยในเรื่องของปริเชตนี้ในปัจจยสังขะเนี่ยนะอาจารย์ที่ท่านขยายหมายความว่าทาง พานุรุธาจารย์เนี่ยนะท่านอธิบายปฏิจจสมุปบาทคือเหตุอาศัยเกิดแห่งผลนในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคำว่าปฏิจจะนี่ก็แปลว่าอาศัยนะปฏิจจะศัพท์นั้นน่ยก็แปลว่าอาศัยหมายความว่าไม่ปราศจากคือไม่ปล่อยนั่นแหละเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทคือเหตุอาศัยเกิดแห่งผลหมายถึงปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นน่ะ มียวิชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปสรายาตนาเป็นต้นนะทีนี้ถ้าดูคําว่าปฏิจจสมุบบาทสมุปสมุปบาท เ, เนี่ยนะคือการเกิดร่วมกันก็หมายความว่าการปรากฏโดยความเป็นกลุ่มร่วมกันของสังขารธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมกันนั่นเองฉะนั้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทก็แปลว่าการเกิดร่วมกันอาศัยปัจจัย คือการเกิดร่วมการอาศัยปัจจัยของตนของตนแล้วก็ไม่แยกกับสหาชาติธรรมความหมายของปฏิจจุบตัตนี่นะท่านจึงให้สองไนายะเข้าไว้ก็คือว่า mm hmm. เหตุอาศัยเกิดแห่งผลพราะแปลตรงนี้ดูกันเลกันเลใช่ไหมเหตุอาเกิดเหตุเหตุอาศัยเกิดแห่งผลหมายถึงปัจจัยมียวิชาเป็นต้นพอพูดคําว่าเหตุอาศัยเกิดแห่งผลก็หมายความว่า ที่จริงท่านกล่าวถึงเหตุนั่นแหละแล้วก็เชื่อมโยงไปหาผลนั่นเองหรือถ้าอีกในหนึ่งเขาแปลว่าการเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยปัจจัยหมายความว่าการปรากฏโดยอาศัยปัจจัยนั่นแหละเางั้นทีนี้ถ้าเราดูตามในยากของในคัมภีร์หนึ่งท่านบอกว่าก็ว่าก็บอกว่าโดย ในแรกเนี่ยปรากฏในคัมภีวิสุทธิมรักษนะในคมภีวิสุทธิมรักบอกว่าเหตุอาศัยเกิดแห่งผลหรือหมายถึงป e ัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นนี้เขาแปลตามคำพีวิสุทธิมรักษ์เาจะแปลแบบนี้คําว่าปฏิจจาเนี่ยนะสมุบาติแต่ถ้าหากในเล่มนี้ท่านในเล่มหลักสูตรที่เราศึกษากันเนี่ยในความหมายของคําว่าปฏิจจาสมุบาทเพราะในแห่งการแสดงนั้นท่านกล่าวไว้เป็นสองในใช่ไหม ปฏิจจสมุปปาท่านนแล้วก็ปฐานนัยเนี่ยในในแห่งการแสดงในในหลักที่เรากําลังศึกษากันเนี่ยจะบอกว่าทำทั้งหลายที่พึงจําแนกประเภทต่างๆเช่นั้นวิภาคานั้นให้จําแนกต่างๆของปัจจัยยีนน่สิอนันว่าโดยปัจจัยเพราะว่าในคาถาแรกเนี่ยเราไปดูในหลักสูตรที่บอกคาถาแรกในที่บอกว่าเยสังสังฆตาธรรมมานัง เยธรรมมาปัจญายถาตังวิพาคามิเหธานิปวขามิยถาละหังเนี่ยทำทั้งหลายเหล่าใดคือสังคธาธรรมอสังคธาธรรมและบัญญัตธรรมเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่ปั จ, จยิยวัธรรมเหล่าใดคือสังคธาธรรมโดยอาการต่างๆมีเหตุสติอรรมาณสติเป็นต้นบัดนี้ในปัจญญาสังขารนี้ข้าพเจ้าจะแสดงซึ่งประเภทต่างๆกัน แห่งอำนาจแห่งการอุปการะของปัจจัยและปัจจุบันเหล่านั้นตามสมควรเหมือนทำทั้งหลายเราใดไอ้คําว่าทำทั้งหลายเราใดเนี่ยท่านยกเอาคือสังคต ธ, ธรรมและอสังคต ธ, ธรรมสังคต ธ, ธรรมในที่นั้นก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปใช่ไหมนี่คือเป็นสังคต ธ, ธรรมส่วนอสังคต ธ, ธรรมนั้นก็ได้แก่พันิพาณเพราะพันิพาณ น, นั้นเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยสี่ปรุงแต่งเนี่ย กรรมจิตอุตุและอาหารปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยและบัญญัติธรรมที่เจงถามว่าสัทธาบัญญัติและอัตถบัญญัติเนี่ยกรรมจิ ต, อ, ตอุตุอาหารปรุงแต่งได้ไหมก็ต้องบอกปรุงแต่งไม่ได้ฉะนั้นบัญญัติธรรมก็เป็นอสังกัธรรมเหมือนกันนี่เป็นนี้เป็นปัจจัยช่วยประกาศะแก่ปัจจุบันธรรมเราได้คือสังกัธรรมด้วยาการต่างๆทีนี้ท่านเชื่อมโยงบอกว่าทายกตัวอย่างเช่นว่า เวลายกปัจจัยต่างๆขึ้นมาตั้งเนี่ยนะท่านก็จะกล่าวว่ามีอเหตุปัจจัยอํานาจเนี่ยสติเนี่ยก็แปลว่าอำนาจอํานาจแห่งเหตุอํานาจแห่งเหตุปัจจัยอํานาจแห่งอารมณปัจจัยเป็นต้นนั่นเองลักษณะของการศึกษาปัจจัยเวลาเราศึกษาคัมภีร์นี้ก็จะมีอะไรนะเหตุปัจจยโยอารมณปัจจยโยอธิปติปัจจยโยเป็นต้นเนี่ยอันนี้ลักษณะงี้ด้วยอํานาจใช่ไหม ที่จริงถ้ามองตามนัยยะอย่างนี้ดูเหมือนยากเหลือเกินถ้าเราพูดตามคาถานี้ใช่ไหมแต่ถ้าหากไปกล่าวว่าจริงๆในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านกล่าวหลักการแสดงไว้เจ็ดในคือหนึ่งอัฏฐาคือการสามใช่ไหมเพราะจริงๆในอย่งการแสดงในปฏิในปัจจัยสังขารเนี่ยท่านแสดงไว้สองในคือปฏิจจสมุปบาทในหนึ่งแล้วก็ปัจฐานนะในนั้นหนึ่งทีนี้ว่า อาศัยเหตุแห่งหนึ่งผลเกิดผลและธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้ามองในมุมนี้ก็ได้ถามว่าอาศัยเหตุอย่างหนึ่งผลละธรรมเกิดขึ้นนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าถามอีกอย่างหนึ่งว่าอาศัยเหตุหลายอย่างผลละธรรมจึงเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าปฐฐานในของปฐฐานกว้างขวางวิสัยดานมากแต่ท่านในของปฏิจจานั้นอาศัยเหตุอย่างเดียวผลละธรรมก็เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดตรายัตนาตรายัตนาเป็นปัจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจัยเกิดพบพบเป็นปัจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจัยเกิดชรามรณาโสกาปริเทวะทุกขโทมนาสะอุปาญาต การเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาศัยเหตุอย่างหนึ่งผลธรรมก็เกิดขึ้นแล้วเปิดไปหน้าหนึ่งของแผ่นเอกสารเนี่ยนะก็จะเห็นเลยหน้าหนึ่งของปฏิจสมบาทเนยที่ว่าโดยองค์ถ้าว่าโดยตามนัยยะของปฏิจจสมบาทนะนี่นลักษณะอย่างนี้ไออย่างยกตัวยอย่างบางทีนัยยะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าไออย่างเมื่อเช้าใช่ไหม เมื่อเช้าเนี่ยที่กล่าวนั้นแท้ที่จริงการกล่าวนั้นเชื่อมโยงลงในปฏิจจสมบัติเชื่อมโยงยังไง อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากคุูวิญญาณเห็น ไ, ไหมความประชุมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะเห็นไหมแสดงผัสสะทันทีเลยเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตันหาเป็นปัจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจัยจึงเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขทโทมนาสสะอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือความเกิดขึ้นแห่งโลก ความเกิดขึ้นของทุกเกิดขึ้นอย่างนี้ขบวนการของทุกมันก็จะหมุนไปในชีวิตความเป็นจริงประจําวันมันเป็นอย่างนี้นี่ลักษณะอย่างนี้คือการแสดงปฏิจจสมุปบาทในแต่อย่างนี้เขาเรียกในไหนเขาเรียกว่าอนุลมสายเกิดนี่เขาแสดงสายเกิดถ้าสายดับท่านแสดงยังไงถ้าสายดับท่านจะแสดงบอกว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากคู ญ, ญ, ญาณ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 ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือความดับแห่งโลกความดับแห่งขันความดับแห่งอายตนะความดับแห่งธาตุความดับแห่ง ว, ว, ว, วัฏฏะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นี่คือกองความดับแห่งกองทุกนี่คือเป็นการแสดงสายดับหรือสายปฏิโรมนั่นเองลักษณะอย่างนี้คือเป็นการสายแสดงสายเกิดสมุทัยสัตว์กับแสดงอนิโรธะ สัจจะคือการแสดงสายเกิดและสายดับเห็นไถ้าเรามองการแสดงคําสอนในลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตจริงเป็นอย่างนี้นีถามว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในบางแห่งบางสูตรบอกว่าถ้าใครบอกว่าถ้าใครสาทยายตรึกตามสูตรนี้ได้นั่นแหละเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นี่คือเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะเนี่ยเริ่มต้นของการของพรหมจรรย์นี่คือแปลว่าท่านจะต้อง เข้าใจในลักษณะเช่นนี้นี่เป็นอย่างนี้นะถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าในยะของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะ่ยท่านแสดงลักษณะเช่นนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เรามองดูเหมือนยากใช่ไหมดูเหมือนไหมอาศัยเหตุอย่างหนึ่งพระธธรรมเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสุบาทนั้นอย่างยกตัว อ, อย่างว่าจัคคุปปัสสัตใช่ไหม รูปารมจากขูวิญญาณประชุมกันอาการประชุมกันอย่างนั้นเขาแสดงผสัสสนี่คือแสดงเริ่มตั้งแต่ผัสสะผสะัสสานตัวนั้นเป็นจากขู่สัมผัสสนะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาจากขู่สัมผัสชาเวทนาเนี่ยเลยเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาจากขู่สัมผัสชาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดรู ป, ปรตัณหาคือความยินดีติดใจในรูปเป็นต้น ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความใคร่ความพอใจความพอใจด้วยความความกำหนัดด้วยอำนาจถึงความพอใจความใคร่ด้วยอำนาจถึงความพอใจเป็นต้นก็คือเป็นชื่อของตันหานั่นแหละวอกงั้นหนึ่งคือรูปตันหานั่นเองตันหาเป็นปัจจัยเกิดการอุปาทานเป็นต้นเนี่ยนะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบกรรมมาพบพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ ชาติเป็นปัจัยเกิดชราและมรณะโสกาพริเทวะทุกขโทมานาสอุปายานนี่กระบวนการของกองทุกเกิดขึ้นอย่างนี้ทีนี้นี่คือลักษณะของอนุโลมหรือสายเกิดนะสายสมุทัยาวานละหรือสมุทัยาวานเนี่ยถ้าสายดับก็ดังที่ได้กล่าวว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากครูญาณการประชุมกันของธรรมสามประการเป็นผัสสะผัสสตัวนี้เป็น จากขู i, princess, ่สัมผัสษาเหมือนกันภาสษาเป็นปัจจัยเกิดจากขู่สัมผัสชาเวทนาจากขู่สัมผัสชาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัวโรคปัญหาโรคปัญหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณาโศกาปริเทวทุขโทมนาสอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่ความเกิดขึ้นของโลก ความเกิดขึ้นของโลกก็คือความเกิดขึ้นกองทุกนี่กระบวนการของความทุกขเป็นไปอย่างนี้เออถ้าสายดับก็คือว่าอาศัยตาและรูปเกิดจากกุญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแลดับเด้วยการละคายด้วยอริยมรรคหรือสับลอกโดยมรรคโดยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานจึงดับ เฝ้าปาทานดับพบก็ดับพบพดพบดับชาติก็ดับพอชาติดับชลามรณะโสกะปริเทวทุกขทโทมนาสะอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือความดับของโลกนี่คือก็คือความดับของกองทุกทุกทุกทกวารก็จะไล่ไปในลักษณะเพียงแต่เปลี่ยนว่าโสตะเสียงโสตะวิญญาณก็ไล่ไปตาม ทวาร น, นี้ปฏิจจาจะเกิดเงี้ยถ้าทางทวารหูก็เป็นว่าอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณอาศัยโสตหรือสายตาเสียงเกิดโสตวิญญาณการประชุมของธรสามประการเป็นภาษาใช่ไหมเพราะภาษาเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาแล้วไล่ไปตามลำดับหรือถ้าทางทวารจมูกก็คืออาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานาวิญญาณการประชุมเ่งทำสามประการเป็นภาษา เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเนี่ยถ้าหากทางทวารลิ้นก็คืออาศัยลิ้นและรสเกิดชิวหาวิญญาณการประชุมกันของธรรมสามประการเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเป็นต้นถ้าทวารกายก็คืออาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายยวิญ ญ, ญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาอันนี้ก็เรียกกายยสัมพัสะ ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดกายยสมัมผัสชาเวทนาก็ไล่ไปตามลําดับถ้าทางทวารใจก็คือว่าอาศัยใจใจในที่นั้นได้แก่อะไรอาศัยผวังก็จะอะไรนะผวังนั่นเองผวังและมโนโทวารละชนะเพราะผวังก็จรนะกับมโนโทวารละชนะนี่ท่านบอกคือใจเอ ง, เ อ, งอาศัยใจและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณใช่ไหมมโนวิญญาณ การประชุมกันของธรรมสามประการนั่นเป็นเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหานะเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการแสดงในยาของปฏิจจสมุปบาททั้งนี่คือสายเกิดนะแล้วก็แสดงย้อนสายดับอันนี้ตามตามการแสดงในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในอันนี้ยกตัวอย่างนะ ส่วนในที่สองอาศัยเหตุหลายอย่างผลธรรมที่เกิดขึ้นเรียกว่าประธานในในเอาอาศัยยังไงอาศัยเหตุเหตุหลายอย่างเนี่ยอาศัยยังไงถ้าเหตุหลายอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเนี่ยมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยแธรร ม, มจจกี่อย่างโอ้โหมากอย่างเลยตอนนี้อายกตัวอย่างเช่นว่าอวิชชาคือโมหะ ความไม่รู้สังขารคืออปุญญาพิสังขารหวังไงเจตนาที่ในอกุศลจิต12นี่นะเป็นอปุญญาพิสังขารไอตัวโมหะคือความไม่รู้เนี่ยวิชาคือความมืดบอดเป็นต้นที่จะต่อไปจะไปขยายเนี่ยนะเป็นปัจจัยเกิดสังขารคือบาปเนี่ยนะตัวโมหะกับตัวเจตนาในอกุศลแจิตในอกุศลธรรมเขาเกิดร่วมกันใช่ไหม เมื่อเกิดร่วมกันท้ามองทางด้านของสาชาติชาติสาชาตธรรมเนี่ยเขอบอกเอ๊ะตัวโมหะเนี่ยเป็นโมหะเหตุเนี่ยใช่ไหมเป็นโมหะเหตุเป็นอะโมหะเหตุเป็นโมหะเหตุเพราะตัวโมหะก็เป็นโมหะเหตุที่ไม่ตัวอวิชชาเป็นโมหะเหตุอยู่แล้วเอ๊ะมันก็ได้นี่ตัวเจตานาที่นอกุโสดจิตเขาก็เกิดร่วมกันกับโมหะเหตุนี่ลักษณะเช่นนี้เขาบอกว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นตัจจัยให้เกิด เจตนาในการทํากรรมถ้าถามบอกว่าคนเราเวลาจะโลภเนี่ยก็ต้องมีโมหะเป็นตัวกลางกัน้นใช่ไหมจะโลภด้วยสมณัตจะโลภด้วยอุเบกขาจะโลภด้วยทิฏฐิวิปยุตหรือทิฏฐิสัมปยตเนี่ยนะปราศจากทิฏฐิหรือมีมานะเนี่ยนะก็ล้วนจะมีโมหะนี่แหละเป็นตัวกลางกัน้นเพราะฉะนั้นไอ้โมหะกับตัวเจตนาเนี่เป็นธรรมที่เกิดพร้อมกันเพราะเกิดพร้อมกันน่ะอยู่ในกลุ่มของสาชาตชาติ โอเป็นโมหะเป็นเหตุตุปใจว่างั้นไอตัวเจตนาก็เป็นเหตุตปัจจุบันไปอัธดานสาชาตาชาตได้อีกแล้วเธเนี้ยเพราะโมหะกับตัวเจตนาเกิดพร้อมกันก็เลยได้สาชาตาปัจใจอย่างเงี้ยไอ้โมหะกับตัวเจตนาเนี่ยขาดกันไม่ได้เลยวงั้นนะไปไหนไปด้วยกันถ้าอยู่ในอกตัวจิตเป็นอัญญาัญญาปัจใจใช่ไหมไอโมหะกับเจตนาเนี่ยถ้าโมหะเจตนาไอโมหะยังมีอยู่ ว่างันเจตนาก็ถึงถึงยังไม่ปราศจากไปเนี่ยยังมีอยู่ก็เป็นสาชาตทิปัจจัยบ้างยังไม่ปราศจากไปก็เป็นสาชาตาวิคตะปัจจัยบ้างอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าไอโมหกะกับเจตนาเนี่ยหมายความว่าเขาคบกันเขาเป็นเพื่อนกันเขาขาดกันไม่ได้ก็าบอกบางทีเหมือนอยังไงนะถ้าจะดูอย่างนี้ก็เหมือนว่าเขาเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นเลยว่างั้นไอตัว ถามว่าโมหะเนี่ยอวิชานี่เป็นมูลรากขนาดไหนอันนี้นี่อธิบายไปก่อนนะถ้าต้องการอยากจะดูว่าตัวอวิชาหรือโมหะเนี่ยเป็นมูลรากแน่นขนาดไหนก็เหมือนกับรากต้นไม้รากไม้ออรากต้นไม้เป็นต้นที่มีที่ยึดไว้สีด้านเลยอะลมพัดทางไหนมันก็ไม่โยกมันไม่ไม่โค่นไม่ล้มหรอกเพราะว่ารากมันแน่นใช่ไหมรากมันที่ยึดเนะี่ยมันแน่นเมื่อรากมันนัน้นยึดเนะี่แน่น ไอตัวรากที่ยึดแน่นเนี่ยเวลาลมพัดอีกด้านหนึง่งมันก็ดึงแผ่นดินก็ว่าพัดมาด้านซ้ายด้านทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนี่ยแต่ว่ามันไม่โยกคลอนชั้นใดไอตัวโมหะที่เป็นวูลรากเนี่ยมันฝังแน่นเลยใช่ไหมนี่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราดูในองค์ของปฏิจจสมุบาต์อ่าถ้าหากว่าพลิกไปดูอีกนะถ้าเราพลิกไปดูอีกในในหน้าที่ ในหน้าที่สี่ที่บอกว่าอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปไอ้ตรงนี้คือกล่าวที่กล่าวสักครู่เนี้ยกล่าวในยะว่าอาศัยเหตุหลายอย่างพุทธธรรมจึงเกิดขึ้นเรียกว่าประธานนั่นในะยกพอเป็นตัวอย่างว่ากล่าวเหตุหลายอย่างแต่ทําให้ทําอีกอย่างหนึ่งน่ยเกิดขึ้นไอาอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้ากล่าวว่าตาเนี่ยจะยกยกตัวนี้สักนิดนึ่งว่าตาจักรคุปสัตว์เนี่ยถามว่าจักรคุปสัตว์เนี่ย เขอภัยจากขูวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุอย่างเดียวหรือหลายอย่างนี่สดแสดงประฐานนไหนล้วถ้าหลายอย่างเช่นว่าจากขูวิญญาณจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีอารมณ์คือรูปอารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้าอันนั้นเรียกว่าอารมณะปัจจัยและจากขูวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยจากขูประสาทเป็นวัตถุอย่างนี้จากขูประสาทนั้นจึงเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยเห็นหมอ่ะบอกว่า จากครูวิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีปัญจทวาระวะชนะเกิดก่อนใช่ไหมในวิถีอ่ะนั้นปัญจทวาระวะชนะจึงอยู่ในฐานะเป็นอนันตรปัจจัยสมนันตระปัจจั ย, นจจยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตาปัจจัยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอาศัยเหตุหลายอย่างผลธรรมจึงเกิดขึ้นการแสดงในยักษ์ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปัฏฐานในนัยนี่มองเห็นใช่ไหม ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปฐาณานันเรียนไปเรียนมาหน้ารักยุ่งเอองานนี้จะรอดไม่นาะอะไรเงี้ยเนี่จงจริงวันแรกทาท่าไปงั้นรถขบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะจริงๆคําคำสอนเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะหลักความจริงเป็นอย่างนี้ ค, คือลักษณะอย่างเี้ยคือต้องการยกตัวอย่างว่าอาศัยเหตุหลายอย่างผลธรรมก็เกิดขึ้นเช่นั้นถ้าถามบอกว่าจากักขวิญญาณเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุกี่อย่างบอกถ้าจากักขวิญญาณเนี่ยตัววิญญาณมีอะไรเป็นปจัจจัยมีนามรูปเป็นปจัจจัยนี่ปฏิจจุบัติไหนนะเพราะแสดงแค่เหตุอย่างเดียวไงแสดงบอกผลและเหตุอย่างหนึ่งผลธรรมก็เกิดขึ้นไงบอกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยเกิด น, นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิด อ, อายตนะอายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะใช่ไหมผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดนะตัณหาเนี่ยเป็นต้ น, น, ตญญญนเนี่ยถ้าถามว่ญญญาตัววิญญาณเนี่ยจักคูนะวิญญาณโสแต่วิญญาณคาณ์วิญญาณเป็นต้นเนี่ยถามว่าในปฏิสังขาทเนี่ยจักคูวิญญาณก็เป็นอะไรอยู่ตรงไหนมีไหมอวิชชาตัณหา อุปาทาเอออวิชาสังขารวิญญาณไงเห็นไหมสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณทีนี้เหตุอย่างเดียวเป็นปัจจัยกับวิญญาณคือจากคูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยไอสังขารอย่างเดียวใช่ไหมกล่าวอย่างเดียวเหตุอย่างเดียวอาศัยเหตุอย่างหนึ่งผลธรรมก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าเพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมี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 เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอาศัยเหตุอย่างหนึ่งพุทธธรรมก็เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมบาทิไงส่วนปัญหาเนนัยใหม่เลยบอกว่าจากักรวิญญาณจะเกิดขึ้นด้วยเหตุต้องมากอย่างนี่คือปัญหาเนนายัยโสตวิญญาณคานาะวิญญาณชิวหาวิญญาณจะเกิดขึ้นก็ปัจจัยเยอะทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เพราะปัจจัยเดียวนี่คือปัญาเนนายัยนี่มองเห็นนะนะถ้ามองตรงนี้เห็นแล้วก็ ทีนี้ปฏิจจสมบาตในเนี่ยนะถามว่าถ้าอาวิชาถ้าเราจะดูอวิชาเนี่ยนะว่าลักษณะของอวิชาที่เป็นตัวปัจจัยแรกเนี่ยก่อนที่จะไปเนี่ยบอกว่าอาวิชาท่านในหลักสูตรเนี่ยนะหน้าที่สิบห้าเขาขยายไว้อย่างนในหน้าที่สิบห้าอวิชาปัจจญาสังขาราสัมภวันติก็่างนะนี่นี่จุดขยายตรงนี้ให้ฟังก่อนพอ ให้รู้จากหน้าจากตาของอวิชานะว่าจริงๆอวิชชาเนี่ยหน้ากลัวปันใดหน่ฉะนั้นสังขารทั้งสามีปุญญาวิสังขารแตะปุญญาวิสังขารและเนรชาวิสังขารเนี่ยนะปรากฏเกิดขึ้นก็เพราะสายวิชานั่นแหละเป็นเหตุอวิชชาเนี่ยวิชากับคำว่าอะเนี่ยนะถ้าอวิชชาอะนี่ไม่นี่ตรงกันข้ามกับคาว่าวิชาก็แปลว่ารู้ใช่ไห อวิชาก็คือธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้กันยอวิชาเนี่ยคือธรรมที่เป็นปฏิปักษ์หรือตรงข้ามกับปัญญาน่ได้แก่โมหะเจตสิกในนี้ท่านแสดงวันจนนัฐนิตามท่านกันนะบอกว่าจะตุสัตจะธรรมังวิทตปิปากตังกรโตรติติวิชาเนี่ยธรรมชาติใดเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจสีและเป็นผู้ทาให้อริยสัจสีปรากฏฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อวิชา ได้แก่ปัญญาเจตสิกที่จริงถามว่าปัญญาเจตสิกในไหนปัญญาเจตสิกในไหนถ้าจะรู้แจ้งอริยสัจจริงจริงต้องในมรรคเนะในมรรคจิตทีนี้ถามงนี้เรามองเห็นสีหรือเรามองเห็นอริยสัจในชีวิตจริงอะ่ะ <c oughs> เห็นสีหรือเห็นอริยสัจเห็นไหมเราไดไ้เราได้ยินเสียงน่ะหรือเราได้ยินอริยสัจ้อง เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยมันมืดหมดแล้วพวกเรามั้ยสัตว์โลกทั้งหลายจะมืดแต่เห็นก็เห็นสีอริยสัตว์ก็ไม่ปรากฏเพราะวิชานี่แหละปกคลุมแล้วก็หุ้มหอ่อทําให้มืดมิดไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัตว์ได้ไม่เข้าใจยังไหมสัตว์ที่กําลังร้องอยู่หรือเราเห็นบุคคลทั่วๆไปเนี่ยอริยสัตว์นั้นก็ไม่ปรากฏเราไม่เคยเห็นมองเห็นทุกขสัตว์ เราไม่เคยเข้าใจสมุทยัยสัจจะแล้วก็นิโรธาสัจจะมรรคสัจจะอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเลยใช่ไหมนิแล้อวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นตัณหาก็เป็นเครื่องประกอบให้ติดอยู่หลงอยู่นี่นี่เป็นอย่างนี้นะชนอะอริยสัจไม่ปรากฏก็เพราะว่าอาวิชา น, นั่นเองเป็นตัวปกักเป็นตัวกลางกั้นกันไว้มองไม่เห็นแล้วแน่นหมดเลยทีนี้ ธรรมชาติใดเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมชาตินั้นเป็นปัญญาที่ว่าธรรมชาติที่เป็นไปตรงกันข้ามกับปัญญามาจากคาวิชชาปฏิปักขาติอวิชชาเนี่ยนะธรรมชาติที่เป็นไปตรงกันข้ามกับปัญญาฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาวิชชาคือลักษณะของอวิชชาเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับปัญญาหมดเลยตรงกันข้ามกับปัญญาเช่นว่าตรงกันข้ามในลักษณะไหนบอกว่าบอกว่า องค์ของปฏิจจสมุปาทใช่ไหมที่ท่านจัดว่าเป็นองเออเป็นอัฐาคือการสามเนี่ยท่านแยกว่าอาวิชาสังขารเป็นอดีตการวิญญาณ น, นามรูปสรายาตนะาผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานกรรมอภวะนี่เป็นปัจจุบันนะอัฐาเนี่ยก็ไม่รู้ชาชาชรามรณะเป็นอนาคตาอัฐาเนี่ยก็แยกไม่ออกคือคือมันปิดหมดแหละ อวิชานี่ทำให้สัตว์โลกนี่มองไม่เห็นอดีตเลยอดีตที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไรเนี่ยนะมันมันกันหมดเลยเพราะมันเป็นไปนตรงกันข้าม ก, กับปัญญาใช่ไหมถ้าลักษณะปัญญานั้นก็จะต้องรู้จะต้องรู้ลักษณะของบอกว่าองค์สิบสองอาการยี่สิบส่วนที่สามสังเข 4, ็บสี่วัตตาสามมูลสองเนี่ยอวิชชาปิดหมดเลยมองไม่ทะลุเลย ถ้ามองในหลักที่บอกว่าไม่รู้ในทุก์เนี่ยไม่เห็นเลยใช่ไหมทุกข์สัตย์ไม่เคยปรากฏเลยในสายตาของของบุคคลที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกันแต่ถ้าหากว่าเรามองในลักษณะอย่างที่กล่าวใช่ไหมบอกว่าในยะอัตถาที่ท่านเจ็บป่วยนอนร้องควนคลางและแก่อยู่อย่างนั้นเนี่เป็นในยะบอกว่าท่านก็ยังไม่พ้นจากเราแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนท่าน แต่ต่อไปท่านก็จะเป็นเหมือนเราอย่างีง้งงถ้าคิดตรึกในลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ตรึกเข้าหาบอกโอ้สัตว์โลกไม่พ้นจากชาติทุกชราทุกมรณะทุกโศกะปริเทวะทุกโทมนาาัสอุปายาเิญนอยู่รู้อยู่อย่างนี้จริงๆเนี่ยก็เบื่อหน่ายคลายกำนัดแล้วก็ปรารถนาที่จะถ่ายถอนบอกพอแล้วที่จะเบื่อนายบอกไม่เอาอีกแล้วการเกิดน้อมไปในการที่จะ ทำสิกขาสามให้เกิดขึ้นในทุกๆกทวารเลยอาทิตยสีลสิกขาทีา่จิตตสิกขาทีา่ปัญญาสิกขาเกิดขึ้นขึ้นทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมองไปที่ไหนสิกขาสามเกิดได้ยินเสียงเมื่อไหร่สิกขาสามก็เกิดได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเมื่อไหร่สิกขาสามก็เกิดถ้าลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นทุกขษัตริย์เป็นต้น<อ>ใช่ก็ต้องดูต้องดูลักษณะว่าเขามีกิเลสอยู่ก็ต้องแน่นอน ลักษณะอย่างนั้นก็เป็นเครื่องเตือนให้เราอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมว่านั่นคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่จริงๆก็คือโดยหลักโดยอัธยาเขาจะบอกเราข้อมูลอย่างไรที่เราได้ยินเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ในญาต น, นั้นจริงๆเขาบอกว่าแต่ก่อนเราก็เหมือนท่านใช่ไหมคือเขาบอกเราแต่ก่อนเนีะ่ะ แต่ก่อนแต่ก่อนนะ่ะเขาเหมือนเราทุกประการเแต่แล้วท่านก็ตาบ่เดี๋ยวท่านก็จะเหมือนเราเดี๋ยวเราก็จะไปนอนอย่างเขาลักษณะอย่างนั้นที่จริงถามว่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วศีลดีขึ้นไหมสมาธิดีขึ้นไหมปัญญาดีขึ้นไม่เร่งเพียงพยายามในการที่จะพ่อคูณกุศลยิ่งขึ้นไหมถ้าอย่างนั้นนะ่ะใช่ จริงๆตรงนั้นเข้าใจนะว่าอาการร้องเป็นเรื่องปกติของความเจ็บปวดแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องแล้วศีลเกิดขึ้นไหมโทสะเกิดขึ้นหรือเปล่า ในขณะที่เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นคนวิบัติพัดภาคหรือเห็นคนเขาทักอยู่ปกติธรรมดาเนี่ยอริยสัจปรากฏไหมถ้าปรากฏในขณะนั้นวิชาเกิดขึ้นแต่ถ้าอาริยสัจไม่ปรากฏนั่นคืออวิชชาแท้ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เห็นความดับทุกข์ไม่เห็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์พระสิกขาสามไม่เกิดก็เขาไม่เห็นทุกข์ เพราะเขาไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรใช่ไหมเขาก็คงเข้าใจกังว่าเขาทุกขเวทนากันนั่นเองเขาปรารถนาทุ ก, ทกข์เพราะเขาไปปรารถนาสุขเวทนาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มองสุขเวทให้เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกขเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็น่ะทุกขมาสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมเขาปรารถนาที่เขาบอกว่าทุกขเลือเกินน่ะเขาปรารถนาจะพ้นจากทุกขะทุกเพื่อไปหา วิปรินาโมทุกจะเป็นนี่ก็เรียกไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทุกถ้าเห็นทุกจริงก็คือร้องทุกเหลือเกินนั่นแหละถูกแล้วแต่ว่าทุกเหลือเกินในความหมายของผู้ร้องที่เข้าใจอริยสัจก็แปลว่าไม่ปรารถนามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วการมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีมาเพื่อเพื่อได้ทุกขได้ก้อนทุกได้วัตถุ ก, กรรมได้กิเลสกรรมมา น, นั่นเอง ก็คือได้ขันได้อายตนะได้ธาตุได้อะไรมาก็ไม่รู้นี่ยเป็นเป็นเป็นทุกเนี่ได้ได้ตัวทุกมาโดยแท้เพราะจริงๆแล้วมันเป็นทุกถ้าอย่างคนไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นอย่างดีเนี่ยนะถามว่าเขาร้องว่าทุกทุ ก, ทกเนี่ยเรารู้แล้วเขว า, วาทุกเพราะอะไรเพราะทุกเขาเขาต้องการเปลี่ยนถ้าเดินไม่ได้ก็อยากเดินหรือว่าเขาปวดหัวก็อยากแกหาย ถามว่าหายจากบวดหัวก็ต้องไปทุกไหมยละ่ะทุกที่จะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายวิบัติพัดภาพสารพา พ, าพมันต้องทุกมีขันเนี่ยแล้วถามว่ามันสบายดีกันไหมเจอหน้ากันเนี่ยไม่มีอะไรสบายเลยลองดูที่มีจุดไหนบ้างเงี้ยไหมเอางี้ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกันด้วยว่าถ้าถามนลมองลมองเห็นทุกจุดทุกอ น, นูของร่างกายเนี่ยถามว่าในผมนั้นมีสุขอยู่ในนั้นไหมเนี่ยถ้าเราดูอย่างนัยยะของปฏิจจสุบาทใช่ไหมที่อบอก บอกว่าถามว่าอาศัยกายเนี่ยอาศัยกายและโผฏฐพลาเกิดกายยวิญญาณเนี่ยถามว่ากายเอาแค่ไหนหมดเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามคือเป็นกายหมดเลยเนี่ยในกายนี่กว้างใหญ่มากปริมาณของกายของแต่และบุคคลเนี่ยล้วนรับสัมผัสได้หมดเลยเป็นปัจจัยกระทบกับโผฏฐพารม์ได้หมดเลยแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดกายยวิญญาณ แม้แต่ในตับในปอดในไตในไส้ใหญ่ไส้น้อยนะในนั้นนะ่ไปถูกก็เจ็บไปกระทบก็มีความรู้สึกหมดแล้วฉะนั้นกายวิญญาณเนี่ยพื้นที่ที่เขาอาศัยมากจริงๆฉะนั้นคว่าอายกายคำว่ากายคำนี้ยคุมหมดเลยนะถามว่ามันเป็นแผ่นทุกเลยใช่ไหมมันเป็นกองทุกเบืออย่างมหาศาลเลยอนะ่ะในในสรีระในร่างกายของสัตว์เนี่ยถามว่า ไอกองทุกที่รมรคลักษณะอย่างเงี้ยว่าถ้ากระทบโพฏฐารลมกายก็ไม่เที่ยงโผฏฐารลมก็ไม่เที่ยงกายะวิญญาณก็ไม่เที่ยงเวลาประชุมกันจาทีก็เป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาใช่ไหมเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาเอาอยูแล้วถามว่ากรรมจะเกิดขึ้นมากมายในอวัยวะแค่คำว่ากายเนี่ยแค่มือกระดิกมือนิดเดียวใช่ไหม มันก็ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กระทบโผฏฐพารม์ก็เป็นปัจจัยเกิดกายวิญญาณไปชุมรวมกันเป็นผัสสายกแล้วเป็นกายะสัมผัสสายกแล้วผัสสาก็เป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาทุกขเวทน า, ท า, าอุเบขาเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณห า, าตัณหาก็อุปาทานเกิดอุปาทานก็ไปทํากรรมอีกแล้วทํากรรมทุกทุกกรรมที่เราทํากันนี่นะ ที่เราได้กายะทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนี่นะเนี่ยเห็นไหมโทษของยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าจะเห็นชัดอาศัยกายและโผดขับอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดกายเยาหยาดการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเป็นกรรมตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยทํากรรมเลยเป็นกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้าง ถามว่าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเราเห็นไหมว่ากรรมทุกกรรมที่ทําแล้วจะให้ผลเท่าไหร่มืดบอดหมดเลยอทุกกรรมที่กําลังทําปัจจุบันเนี้ยจะให้ผลเป็นอะไรผลรองรับอ่ะจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นพรมเป็นอะไรต่างๆเลยเนี้ยที่ลองรับกรรมทุกกรรมที่กําลังทําเนี้ยเราก็ไม่เคยเห็นตลอดสายเลยมันมืดบอดหมดเลยใช่ไหมนั่นคืออวิชาแท้มันปิดกั้นเลยใช่ไหม แท้ที่จริงน่าจะเห็นว่าเออในขณะนี้เรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นกุศลกรรมใช่ไหมทางเรียนทางไหนอจากขูวิญญาณก็ทางทวารตาก็เห็นอาศัยตาและสีเกิดจากขูวิญญาณการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาไอทวารไอปฏิจจาทั้งสายตาก็เดินอยู่เอาหูได้ยินเสียงอาศัยหูและเสียงเกิดสวตาวิญญาณการประชุมกันของธรรมสามการเป็น ภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานทํากรรมนะ แ, แล้วกรรมที่กําลังทํากันในขณะเนี้ยจะให้ผลเท่าไหร่อย่อยางไรมีผลรองรับเท่าไหร่ไม่เห็นไหมไม่เห็นเลยถ้าถ้ามีวิ ช, ชาต้องเห็นเพราะพระพุทธเจ้าเห็นตลอดสายเลยใช่ไหมเพราะท่านมีวิ ช, ชาท่านเห็นอนาคตทันทีว่าเนื้อทำกรรมแบบเนี้ยจะไปอย่างนี้อย่างนี้เลย และเราทํากรรมอย่างนี้ถามว่ากุศลกรรมที่กําลังเดินกําลังทํากันอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะเป็นตัดจะมีผลรองรับเป็นยังไงแล้วเมื่อไหร่จะพ้นทุกเราก็ไม่เห็นเลยใช่ไหมเอาวิชาเป็นอย่างเงี้ยมันปิดอย่างเงี้ยปิดตลอดสายเลยใช่ไหมแต่ถามว่าอดีตมากันยังไงเนี่ยผมไม่รู้ใช่ไหมแล้วทํากรรมแบบนี้ใช่ไหมแล้วจะไปยังไงผมไม่ทราบแล้วกรรมแต่ละกรรมที่ทำมาแล้วในอดีตนี่นะเอาแค่อดีตในภพเนี้ย ที่ทํามาแล้วเนี่ยปริมาณของกรรมนั้นน่ที่ผลรองรับเนี่ยมันมากมายแค่ไหนเยอะแยะหมดไม่ทราบเลยอ๋อปฏิจจานี่มีทั้งอตีตอัฏฐาปัจจุบันนัอัฏฐาและอนาคอนาคตฉะนั้นจะไม่เห็นเลยยังไม่ไม่เห็นสายว่าปฏิจจานในสมุบาติปฏิสมุบาตในอดีตเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ปิดหมดแล้วปฏิจสมุบาตในปัจจุบันนอัฏฐาเป็นยังไง ปฏิจจสมบาทในอนาคตตาทานี่เป็นอย่างไรเนี่ยอวิชชาปิดกั้นหมดเลยโยปิดหมดเลยทีนี้ท่านถึงบอกว่าธรรมชาติที่ย่อมให้ได้ซึ่งทุจริตธรรมที่ไม่ควรได้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชชาเนี่ยให้สังเกตดูบอกว่าพอทวารตาย้อนกลับมาดู ท, าทวารตาเนี่ย อาศัยตาและสีเกิดจากขูยิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปจัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะไม่ได้สํารวมใช่ไหมเระวังอินทรีย์เนี่ยตัณหาก็เกิดพอตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอุปาทานเกิดทุจริตเกิดกายทุจรจิตวจีทุจริตมโนทุจริตเห็นไหมว่าทําให้เราได้ทุจริตที่ไม่ควรได้เนี่ยอวิชชาปิดเนี่ยหมด มองเห็นสีแต่ละสีก็น่าจะได้บุญน่าจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้คุณธรรมมากมายใช่ไหมแต่ทุจริตเข้ามาแทรกหมดเลยเพราะว่าอาวิชาปิดทางทวารหูได้ยินเสียงบางทีเป็นเสียงธรรมายังหลับเยยังคิ ด, ดือใช่ไหมขนาดเสียงธรรมะแท้เนี่ยฟังไปฟังมาหลับเพืนเนี่ย อาศัยอาศัยหูและเสียงเกิดโซตาวิญญาณการประชุมทำสามการเป็นภาษ า, าภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเพราะไม่ได้สํารวมอินทรีย์อีกนั่นแหละอวิชาเกิดปัญหาเกิดอวิชาเกิดพอวิชาเกิดอุปาทานเกิดแล้วอะไรเกิดทุจริตตามมาได้ทุจริตก็ทางทวารหูก็ได้ทุจริตทวารทางวานตาได้ทุจริตสามทวารหูก็ได้ทุจริตสาม ทวารจะมูอีกทุจริทก็เข้าอีกสามทวารลิ้นก็ได้ทุจริทอีกสามทวารกายก็ทุจริทอีกสามทวารใจก็ทุจริทธอีกสามสามหกเ 3, 6, ท่าไหร่สามหกเท่าไหร่สเปะโอ้ยทุจริทตายมือนี่เห็นไหมบอกว่าจริงๆแล้วเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้นรสลิ้มรสเนี่ยนะสัมผัสแล้วคิดนึกเนี่ยน่าจะได้สุจริทธใช่ไหมน่าจะได้สุจริทธ เขาบอกธรรมชาติที่ย่อมไม่ให้ได้สุจริตทำที่ควรได้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ า, าวิชาทึงบอกว่ากายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริต น, น่าจะได้วั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะได้เพราะอะไรปิดนี่แหละคืออวิชานี่ปิดนี่มองเห็นโดยคร่าวๆนะว่ า, าวิชาเป็นเครื่องกลางกาั้นตัณหาเป็นเครื่องประกอบเป็นอย่างนี้เนี่ยลักษณะของอวิชานี่เป็นอย่างนี้แล้วถ้าจะมองอีกอย่างก็คือว่า ธรรมชาติที่รู้ผิดในบัญญัติมีชายหญิงเป็นต้นที่ไม่ปรากฏโดยสภาวะฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาวิชชายอย่างยกตัวอย่างถ้่าวิชาปรากฏเนี่ยที่เธอมองบอกว่าเวลามองเห็นสีก็บอสวยนะใช่มมันไปหมดเลยไหมวิชาจะปิดเนี่ยมันไม่เห็นวันนี้ทุกไม่เห็นเลยว่าบ้านหลังนี้สวยนะเนี่ยรถคันนี้งามนะบุคคลคนนี้หน้าตาดีนะเนี่ยมันไปหมดเลยไหมไม่เห็นเลยวันนี้ทุก เราคิดถึงเราย้อนเวลามองกลับไปคิดถึงบ้านเนี่ยเราคิดถึงว่าเอ น, นี้ทุกข์ไหมเลี้ยวบ้านเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะติดบัญญัติหมดเลยไหมไม่เห็นว่านั้นในะที่เรากําลังคิดระลึกไปหานั้นคือระลึกหาทุกข์ยมสรีจะมองถ้าจะมองถึงถ้ามีรถเดียคันหนึ่งเนี่ยเราจะคิดถึงรถเนี่ยให้เป็นทุกขศาสตร์เนี่ยจะคิดยังไง ที่จริงถ้ามองโดยวัตถุที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะร ถ, รถหรือว่าที่อยู่อาศัยเป็นต้นว่าเป็นทุกเนี่ยท่านมองในลักษณะว่าถามว่าสัตว์โลกที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นนี้เนี่ยถามว่าจะมีชาติทุทกชะลาทุกมรณะทุกแค่ไหนยางไงถามว่าอย่งนี้ในรถคันนั้นเลยไห ม, มแมลงที่จับหรือหรือที่จะต้องเกิดและตายอยู่ในรถคันนั้นเท่าไหร่ การหาเงินหาทองที่จะต้องได้มาเนี่ยเราทํากรรมและกรรมนั้นจะส่งผลให้เราต้องไปเกิดเนี่ยเป็นอกุศลกรรมเนี่ยตกละกรรมลำบากเพราะเพราะกว่าจะได้มามันได้มาด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างและโมหะบ้างเนี่ยกุศลกรรมอก็อกุศลกรรมที่ทำไปเนี่ยถามว่าเท่าไหร่แล้วจะทำให้เราลาบากเท่าไหร่เนี่ยฉะนั้นเป็นวัตถุที่ทำให้เราได้ชาติทุกข์มากมายจริงเย แล้วถามอีกเรื่ง ว, ว่าไอ้คนที่เขากลัวจะออกแบบไม่ได้เนี่ยคนที่ออกแบบมาเนี่ยถามว่าเขาเครียดแค่ไหนอกุศลกรรมเท่าไหร่เนี่ยที่เขาเกิดขึ้นในใจเขาโลภะเท่าไหร่โทสะเท่าไหร่โมหะเท่าไหร่แล้วจากการจะต้องตกนรกบมกไหม้นั้นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นนั้นนะ่คิดว่าเราจะวางใจได้ดีไหมมันก็วางจริงอยู่ถ้าเราตรึกเป็นมันก็วัดมันก็วางใจได้แล้วก็ใช้เป็นใช่ไหม แต่ถ้าเราคิดไม่เป็นอย่างที่เรวบอกเออมันก็บุบสลายไปธรรมดาแตามคิดนี้คนอื่นก็คิดกันได้นะแต่มันต้องคิดให้เกี่ยวข้องกับชาติทุกชราทุกขมรณะทุกข์โสกกะพลีเทวทุกขโทมนาสัอุปายาตคิดเข้าหาสายปฏิจจสุบาทใช่ไหมต้องคิดเข้าหาสายนี้สถึงจะบอกว่าเห็นทุกแท้เห็นทุกจริงต้องมองเห็นว่าโอ้โหเป็นวัตถุถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราได้อากุศลกรรมเป็นส่วนมาก แล้วถามว่าเราได้รถคันนี้เนะี่ยมันได้ศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยศึกษาสามเราบริบูรณ์ดีไหมถ้าได้รถคันนี้ขึ้นมาถ้าได้ดีหรือเอื้อมหน่วยต่อการเอาไปทําบุญหรือเพื่อเป็นประโยชน์อนุเคราะห์แก่การได้เจริญกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปไอ้อย่างนี้เป็นประโยชน์แต่ถามว่ามีสักกี่คนใช่ไหมที่ตรึกที่ได้ประโยชน์จากการได้ ทำศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะมีวัตถุชิน้นนี้มีบ้านสักหลังตั น, นี้เราเริ่มคิดเป็นก็เริ่มเลยที่บ้านหลังนี้เราเข้าไปอยู่แล้วต้องได้บุญเนยะต้องเจริญแล้วต้องออกจากบ้านหลังนี้ด้วยนะไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะเกาะอยู่ติดอยู่ในบ้านหลังนี้อย่าว่าแต่บ้านเลยแม้แต่ในสรีละนี้ใช่ไหมเก็บอกว่าเรามาเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มันจะต้องวิบัติเนี่ยเหมือนที่เมื่อวันเมื่อคืนที่บอกอยมรีนถามว่าที่อุปมา บอกว่าจริงๆเราจะมองเห็นกรรมมองเห็นวัตถุกรรมโดยความเป็นทุกข์สัตรว์ได้ไหมถ้าเห็นอย่างนี้อวิชาไม่เกิดอย่างยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าเห็นโดยความเป็นร่างกระดูกเนี่ยสุนัขที่มันแทะกระดูกใช่ไหมถ้ามันแท้กระดูกกินไงมันก็ไม่อิ่มฉันใดถามว่าเราเคยพอใจไหมที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีทรัพย์สมบัติบริวารแล้วมีข้าวของอะไรต่างๆมันไม่เคยเพียงพอเลยใช่ไหมไม่บอกโอ้ยพอแล้วพอแล้วแบบี้ ก็บอกว่ากินนี่พอแล้วไบบนี้แล้วเห็นไหมว่ามันไม่อิ่มอย่างเงี้ยและในที่สุดมันก็กินอะไรกินมาจนฟันหักหมดปากก็ยังหิวอยู่เนี่ยหิวขนาดบดเนาบดอาหารหยอดให้ก็ก็ยังจะกินอยู่ยังจะอยู่อยู่เนี้ยเห็นไหมว่ามันขนาดนั้นเลยไอ้ตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยมันขนาดนั้นเลยนะขนาดฟันหมดแล้วเดินไม่ไหวแล้วก็จะอยู่กระเสือกกระสนจะอยู่ เห็นไหมหรือที่อุปมาอุปมาหนึ่งที่บอกมันเหมือนในของยืมเข้ามาเนี่ยตาหูจมูกเลนกายเรายืมเข้ามาใช่ไหมของยืมเข้ามาเท่านั้นถ้าของยืมเข้ามาเนี่ยต้องบอกยอมให้ยอมสุรีพูดกทบอกว่าจริงๆนีว่าเวลาเขาจะส่งคืนไม่แล้วค่ะอุบายวิธีหลบเลี่ยงเงี่ยแต่เจ้าของเขาเจอยังพยายามจะวิ่งหนีจะไม่ยอมคืนสร้อยคืนแหวนคืนนาฬิกา ถึงบอกว่าถ้าหากมองเห็นอย่างนี้จริงๆจะไหมว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือเป็นวัตถุที่มันที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเห็นงี้เขาบอกเห็นทุกมันจะละได้โดยการข่มไว้ถ้าเราตรึกพิจารณาอย่างนี้แต่ละครั้งเนี่ยจะละได้โดยการขม่มแค่ข่มไว้ได้เนี่ยก็น่าดีได้ใช่ไหมคือการไม่ให้บาปเกิดเนี่ยมันก็ยังจะพองมองเห็นแล้วก็จะสามารถที่จะการได้ นั้นเวลาทั้งบอกว่าธรรมชาติที่เป็นผู้ไม่รู้ในประมาตธรรมมีขันเป็นต้นพอเรามองเห็นสีเราก็ไม่รู้ว่า น, นี้เป็นรูปขันใช่ไหมมันไม่ได้ตรึกลงตรงนั้นแล้วนั่นคือรูปขันนะเนี่ยหรือในขณะที่เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาบอกนิเวทะนาขันนะก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นหรือในขณะที่เกิดกามมสัญญาขึ้นมารูปปั้ สัญญาสัทธสัญญาคันท่สัญญาเนี่ยจํ า, ญญาจในรูปในเสียงในกลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้สําคัญว่าเป็นสัญญาขันเะนี่ยบางทีเนี่ยเราไปเห็นคําว่าสีเนี่ยแล้วก็สีเขียวสีแดงสีขาวใช่ไหมสัญญาของที่ก็เป็นสีเขียวสีแดงเข้าใจเราไปเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นปรมัตา์เ <laughs> นี่ย เ, <laughs> เพราะโดยโดยหลักของความเป็นจริงถามว่าที่เราเห็นสีกันเนี่ยนะถามว่าเห็นสีอย่างนั้นไม่เห็นทุกข์ใช่ไหมถ้า ถ้าเห็นสีเถามว่าเรมองปฏิทินเห็นสีเนี่ยบางคนมองพบก็ถามว่าเอ๊ะถ้ามองปฏิทินอันนี้เกี่ยวข้องเราจะเห็นทุกเห็นยังไงสัตว์บางจำพวกเล็กๆเล็กๆที่ไปจับอยู่ในนั้นที่ยินดีพอใจในสีสีเนี้ยที่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดเพราะสีสีนี้เท่าไหร่เนี่ยมากมายใช่ไหมไอาการออกแบบอย่างเงี้ยการแย่งกันมาหนีฆ่ากันตายไม่รู้หรอก มันเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตรงนี้เราเกิดได้ไหมเราปฏิสนธิได้ไหมเนี่ยตายเดี๋ยวนี้แล้วปฏิสนธิตรงนี้ได้ไหมได้ทันทีเกิดเป็นสัตว์เป็นแมลงเล็กๆแถวนี้ก็ได้บินอยู่ในท้องของมแมลงของสัตว์เหล่านี้ก็มีตรงไหนบ้างอะที่ไม่ไม่ใช่วัตถุของไม่ใช่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ชาติทุกที่ตรงไหนเรามองไปในเป็นที่ที่เราเกิดได้หมดในบกในน้ําในป่าเขา ในใต้ดินลงขุดไปทีจัดเต็มไปหมดนะเดี๋ยวพาหาไปดูพอเรียนปฏิจจาไปถึงตรงที่ว่าอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร น, นะพอสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณทีนี้เขาแยกละเอียดลงไปนโอ้โหตัวนี้ไม่อยากเป็นแล้วตัวนี้ไม่อยากเลยไม่อยากทํากรรมเลยใช่ไหมอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะสังขารเป็นปัจจัยเกิดปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยใช่ไหม โอ้โหพอแยกออกมาว่าสัตว์นรกกี่จําพวกกี่ภูมิเปรตสิบสองจำพวกขยายอย่างใหญ่กี่ภูมิสัตว์เดือดชานเท่าไหร่สุรกายเท่าไหร่เนี่ยแยกไปอย่างเงี้ยเขาจะแยกออกอย่างเงี้ยศึกษาปฏิจจายละเอียดเนี่ยบอกโอ้โหไม่อยากทํากรรมเลยแต่นี้มันจะแยกเข็นไปอย่างเงี้ยว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยเรียนกับไปนอนหงายกายหน้าผากก็คิดผิดแต่เนี ทำไมทำไมจึงเกิดอย่างนี้ทำไมมาเกิดใหมไหมแล้วเราจะไปยังไงโอ้โห oh, ถ้าอย่างนั้นก็ถ้างนั้นเป็นละทิเชนเลย<ช>ไปไปไหนต้องหาถ<ช>้าปิดจมูกเดี๋ยวแต่จริงๆมีนะเขาคิดขนาดนั้นนะพวกละทิาศาสนาอื่นเนี่ยบางาศาสนาที่เคร่งขนาดนั้โอ้ก็เดินไปที่ไหนก็ปิดปากปิดจมูกหมดก็กลัวว่าสัตว์เวลาจะพูดเนะี่ยสัตว์จะต้องตายเพราะเขาพูดเนี่ย เดินไปไหนก็ใช้ไม้ขวาดขวายคนเดินไม่อยากเหยียบสัตว์ทำขนาดนั้นเนี่ยเข่งขนาดนั้นระวังกันเถอแต่จริงๆแล้วอย่างนั้นก็เรียกว่านั้นจะปฏิบัติแบบนั้นนี่นคือความผิดพลาดนั้นที่ยกตัวอย่างตรงนี้มาก็กว่าอย่างยกตัวอย่างทุกข์เขียวญ า, านาังไม่รู้ในทุกนี่ไหมไม่รู้ว่าชาติทุกข์เป็นต้นเนี่ยคือไม่รู้นีว่าจริงๆก็คือไม่เห็นทุกข์สัตว์ดังที่ได้กล่าวทุกขสมุทเทียายานาังไม่รู้เหตุให้เกิดทุก ถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าจากขูเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าจากขู่นี่เป็นทุกขสัต์จากขู่สมุทยัยไม่เห็นเหตุของจากขูเห็นแล้วก็จากขูนิโรธไม่เห็นความดับของจากขู่และความดับเหตุของจากขู่จากขูนิโรธคามินีปฏิบัติคือไม่เห็นข้อปฏิบัติที่จะเข้าไปดับเข้าไปถึงพระนิพพานไม่เห็นมรรคสัตว์ คือไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้อย่างเกสาเกสาสมุไทยเกสานิโรธเกสานิโรธทคามินีปฏิปทาโลมาโลมาสมุไทยโลมานิโรธโลมานิโรธทคามินีปฏิปทานาขานาขาสมุไทยหนาขานิโรธหนาขานิโรธทคามินีปฏิปทาอย่างนี้เข้าใจไหมเกสานี่ยรู้ไหมเห็นไหมผมเนี่ยเกิดจากกี่สมุทฐาน เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานก็มีจิตเป็นสมุทฐานอุตุสมุทฐานและอาหารสมุทฐานใช่ไหมผมที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานมีอะไรบ้าง啊ภาวะทะะัศกรกราบมี ม, มีรูปสิบเลยใช่ไหมมีอิทธิภาวะปุริสภาวะอยู่ในรากผมนั้นที่ติดหนังศีรษะแล้วมีกายยะทัศกราบอีก10รูปใช่ไหมเป็นยี่สิบรูปแล้วใช่ไหมแล้วมีจิตแต่ชั่รูปอีก8ดอุตุชัรูปแปดอาหารชรูปแปดรวมเป็นกี่รูป สี่สิรูปใช่ไหมงั้นผมนี่เป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัจใช่ไหมแล้วกรรมตัณหาความยินดีพอใจในผมในสรีละใช่ไหมในผมผมนั้นน่ยการกระทํากรรมในอดีต จ, จึงได้ผมในปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัณหาที่เก่าก่อนนั้นเป็นสมุทยสั จ, จถ้าดับตัณหาแล้วก็ดับผม ไม่ต้องมีมีผมเนี่ยอันนั้นเป็นนิโรธาสัจจะปฏิปทาที่จะให้เข้าถึงนิโรธข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงนิโรธเป็นมัคคสัตถ์นี้เขาถึงบอกว่าเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธเกสานิโรธาคาวินีปฏิปทาเห็นไหมมองผมแล้วอริยสัจแบบนี้ปรากฏไหมถ้าไม่ปรากฏเขาบอกยังไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมถ้าเห็นแบบนี้ท่านตรึกอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้กิเลสก็ไม่จับใช่ไหม ลักษณะอย่างนี้อริยสัจก็ปรากฏนะนั้นในกลมมุ่มบุคคลที่เขาตรึกมาอย่างนี้ถามว่าทำไมต้องตรึกอย่างนั้นถ้าไม่ตรึกอย่างนี้ผมนี่เป็นปัจจัยเกิดโทสะได้ไหมเป็นปัจจัยเกิดโลภะได้ไหมหลงด้วยใช่ไม้มเห็นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถามว่าคนที่จะต้องทำกรรมวม่าผมนี่เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ว่างั้น ให่ไมมหมใช่ไหมที่จะต้องเกี่ยวข้องพวกผมเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านทําปริญญาท่านทําทั้งหมดเลยท่านไม่ใช่อริยสัจไม่ใช่จาเห็นอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถ้ามองปุ๊บเนี่ยท่านจึงไม่ยินดีพอใจในสิ่งต่างๆได้จริงๆนี่เป็นอย่างนี้แม้แต่ขนเนี่ยมยก็สี่สิบสี่โรคเล็บ ก็สี่สบสี่รูปให้เป็นทกษัตริย์มาเลยเนะี่ยเหตุที่ทําให้ได้เล็บมาก็เป็นสมุทัยสัจจะความดับเล็บดับแล้วก็เหตุที่จะทําให้เราได้เล็บก็เป็นนิโรธปฏิปทาที่จะให้เข้าถึงความดับอันนั้นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงนิโรธนั้นก็เป็นมรรคษัตริย์ถ้ารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเหียนอริยสัจอย่างนี้ก็เราวิ ช, ชาเกิดแต่ถ้าไม่รู้เอาวิ ช, ชาเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้ ถ้ามองมองไปอย่างนี้แล้วคนที่ท่านที่ตรึกได้กันอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะนั้นก็พยายามหมั่นไปพิจารณาบ่อยบฉะนั้นถ้าถามบอกว่าถ้าถามว่าไม่รู้ในทุก์ไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุก์ไม่รู้ทรมันเป็นที่ดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกถามว่าเราเห็นวัตถุทุกชิ้ น, นเลยนะวิธีการตรึกพิจารณาเนี่ย ก็แปลว่าถ้าอริยสัจไม่ปลาไม่เห็นอริยสัจก็คือเป็นอวิชชาแท้คืออย่างนี้นะว่าในสมัยครั้งพุทธกาลในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นบุคคลที่บรรลุธรรมเห็นอริยสัจมากมายไหมเอาแค่อย่างพระในวันที่พระเจ้าปฐิทิพย์านเนี่ยเจ็ดแสนก็รู้ที่ไปรวมกันที่ไม่ไปอีกมากมายสสแสดงว่าในยุคนั้นพระจําจนวนหลายล้านเป็นจํานวนหลักล้านญาติโยมมากกว่านั้น ทีบรลุทำแต่เขาก็ทำมาหากินกันงั้นกลุ่มที่เขาเห็นอริยสัจทั้งนั้นที่เขาทามาให้กินกันในยุคนั้นในยุคเมื่อสองพันกว่าปีแต่ถามว่าคนที่เขาเห็นอริยสัจเนี่ยเขาเดินควักไขว์เต็มถนนไปหมดนี่ยเขาทำอะไรกันเขาก็ทํามาให้กินประกอบอาชีพการเงินแต่ยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้คติการะเนี่ยคติการะเนี่ยนายช่างหม้อเนี่ยเป็นเป็นผ้านาคามียวยังไก็เลี้ยงแม่ เลี้ยงเลี้ยงบิดาเลี้ยงมาดาตาบดเลี้ยงมีอาชีพปั้นหม้อถามว่ามีอาชีพปั้นหม้อเนี่ยเขาก็ทำของเขาเขาก็ขายของเขาแต่วิธีขายเขาไม่จับเงินเลยทองอ้าวหม้อใบนี้เขาต้องการถั่วต้องการงาต้องการข้าวต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าเขาก็ใครมาแลกเขาก็เอามาใช้ เ, เห็นไหมเขาก็ใช้ชีวิตได้หรือท่านวิสาขะก็เป็นผ้านาคามีท่านก็มีตําแหน่งหน้าที่การงาน พระเจ้าพินพิสารก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระเจ้าเป็นดินก็ก็เป็นเรื่องปกตินั้นเขาทำเขาได้ก็แปลว่าท่านเหล่านั้นเห็นอริยสัจมองอะไรไปในเห็นอริยสัจปรากฏชัดเจนเลยท่านเห็นท่านตรึกท่านเข้าใจแล้วท่านฟังธรรมตลอดมองเห็นใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยเราศึกษาพระธรรมกันไม่ละเอียดพอศึกษาพระธรรมไม่ละเอียดแล้วก็เลยไม่สามารถเจริญคุณธรรมในชีวิตจริงได้เลย ในชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะเริยนกันได้ถ้าหากเข้าใจคำสอนจริงๆนียจริงๆถ้าถ้าเอาใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่าเรีย น, นเ น, เนี่ยใช่ไหมทุกชั้นเนี่ยเอาเรียนเขาเอาปฏิบัติได้หมดแม้แต่ปฐฐานก็เข้าใจเอาไ้ใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ใช่ว่าเรียนไปเพื่อจะเป็นบุญอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น โดยชีวิตจริงเนี่ยนีในลักษณะของอริยศาสตร์เนี่ยมันปรากฏได้ดังที่ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าไม่รู้ในทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ธรรมันเป็นที่ดับทุกไม่รู้หนทางให้เข้าถึงความดับทุกขคือไม่รู้ข้อปฏิบัตินั่นเองทุกเขยายานางังทุกขสมุทเทยายานางังทุกขาณิโรธทียยานังทุกคนณิโรธคามินีปทัทไททุกคาณิโรทคามินีปฏิปทาญยยาญยาณังเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือ อาวิชาเกิดก็ดังที่ล่าบอกว่าถ้าหากว่าทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายโดยเฉพาะทางทวารใจใช่ไหมอาศัยใจและทำมารมเกิดมโนวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นผัสสะเนี่ยเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเนี่ย เวลาเราจิตเราคิดถึงเรื่องใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราปารบถึงอะไรในขณะที่เราปารบถึงบุคคลหรือสถานที่หรือกลุ่มบุคคลต่างๆเนี่ยเราไม่เห็นอริยสัจที่ไม่เห็นอริยสัจก็คือไม่เห็นหนทางใช่ไหมไม่เห็นหนทางข้อปฏิบัติเลยถามว่าหนทางในที่นั้นคืออะไรไม่เห็นสิกขาสามสิกขาสามไม่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลย พอศิษยาสารไม่เกิดบาป ก, ก็มาเกิดหมดเลยไหมทุจริตก็เกิดหมดเลยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีข้อปฏิบัติจริงในชีวิตจริงเลยแล้วก็ทอเลาะหกทะเหืนกันไปเหมือนกับพระสารีบุตรกล่าวบอกกับพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เนี่ยบอกว่าท่องเที่ยวในวัดตาสงสารมาเนี่ยเก้าสิบกว่าคับแสวงหาครัวจารย์มาในปัจจุบันภพเนี่ยเก้าสิบกว่าสำนัก ลทัทีเหล่านั้นน่ะว่างเปล่าเหมือนต้นกล้วยที่ไม่มีแก่นสารว่างั้นหนึ่งแต่มืพบพระสชิสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทาให้ตนเองนั้นน่ะเห็นอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงแล้วในที่สุดจริงๆฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วแทงตลอดอริยสัจได้บรรลุเป็นสาวกบ ร, รมีญาณความปรารถนาของข้าพระองค์มา สร้างอัธยาศัยมาหนึ่งอสงไขยนั้นสำลิจผลแล้วความปรารถนาก็ฆ่าพราะองค์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปรารถนาจับพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจ้ายื่นพระบาทพักให้เลยแล้วก็ก้มลงจับกราบปิติก็สร้างไปทั่วล่างอน<ม>ี่ท่านพระสารีบุตรบอกว่าความปรารถนากงข้าพราะเจ้านะบรรลุผลทุกประการแล้วแล้วก็ลาไปบริณิพานเลยใช่ไหม คือท่านปราถนาจะนิพพานกันโดยส่วนเดียวนะอย่าลืมนะว่าคือท่านไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะต้องมีสรีละในการมีร่างกายที่จะต้องอยู่ใช่ไหมท่านพระสารีบุตรท่านเห็นตัวเองเหมือนอะไรนะเหมือนผ้าชเช็ดเท้าเนี่ยเหมือนโคเขาขาดเหมือนเด็กจันทานคือท่านมองเห็นตนเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่นยนนะจะไปที่ไหนเนะ่ะเหมือนโคเขาขาดเลยโคเขาขาดก็ช่องเล็กๆ ก, ก, ก็ไปไนดะ้ ใจของข้าพระองค์ประดุดดังแผ่นดินเนี่ยของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเทราดลถก็ไม่หวันไหวฉันใดจิตของข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันใจของข้าพระองค์เหมือนน้าเหมือนไฟเหมือนลมจิตของข้าพระองค์เหมือนโคเขาขาดคือไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิอะไรเลยเหมือนเด็กจันทารเข้าได้ทุกที่ว่างไงเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนทุเรียเหมือนผ้าเช็ดทุเรียเหมือนผ้าเปื้อนฝุ่นพอพอพูด อัธยาสายของตนเองให้ภิกษุเหล่านี้ฟังภิกษุที่เป็นปุโุชนร้องไห้นี่ไม่อัธยาสายของพาาระลรหันท่านเห็นอริยสัจ ท, ท่านเห็นอย่างนี้ท่านมองไม่ต่างเลยเห็นสุนัขขี่เลื่อนตัวหนึ่งกับเห็นมนุษย์สูงส่งคนหนึ่งไม่ต่างกันเลยอะก็คือเป็นทุกขสั์เป็นก้อนทุกขเหมือนกันเป็นชาติทุกขชราทุกขมรณะทุกขโศกกาปริเทวะทุกขโทมนานัสสะอุปายานเหมือนกันหมดเลยถ้าอย่างเรายัางแยกแยกละเอียดเลยใช่ไหมโออย่างนั้นเป็น น่าเกลียดน่ากลัวใส่น่าสะอิดสะเอียนเนี่ยแต่ถ้าหากพระริยะท่านเห็นและท่านวางจิตเสมอเหมือนหมดเลยนี่คือท่านเห็นอะไรสากตะเนียนอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้คือท่านเห็นว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายวิบัติพรัคนี่ลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความไม่รู้ในขันธาตุอายตนาที่เป็นอดีตถามให้อวิชชาปิดทําให้ไม่รู้เลยใช่ไหมว่า ขันธาตุอายตนาในอดีตก็ไม่รู้มองไม่เห็นเลยว่าในอดีตเนี่ยเรามีขันห้าขันหนึ่งขันสี่ในพบไหนบ้างไม่รู้เลยอายตนาจากขาอายตนาโสตายตนะจากครูธาตุรูปธาตุจากครูญาณธาตุอย่างไรเนี่ยก็ไม่รู้เลยขันธาตุอายตนาที่เป็นไปในอดีตก็ไม่ทราบว่าขันธาตุอยายตนะในชาตินั้นมีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนี้เกิดในตระกูลนั้น มีรูปพันธสัญทานอย่างนี้สมมุติว่าเป็นราชาเป็กษัตริย์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นเันทานเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยเห็นไหมมันปิดหมดเลยนี่คืออวิชชาปิดกั้นขันท่าอายตนะในอดีตและกรรมที่กําลังกระทําในปัจจุบันนี่เหมือนกันเนีเช่นกุศลกรรมกุศลกรรมที่ทําแล้วเราจะได้ไปหรือกรรมกุศลกรรมกุศลกรรมในอดีตที่ทํามาที่ยังไม่หมดเนี่ยที่จะต้องส่งพวกผลให้กษัตริย์โลกทั้งหลายเรื่องให้แก่เราทั้งหลายเนี่ย ที่จะทําให้เราไปได้ขันท่อนาอายตนะในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขันท่อนาอายตนะเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้อวิชามันก็ปิดหมดเลยปิดอนาคตด้วยว่าจะดาเนินไปอย่างไรก็ไม่รู้จะดําเนินไปอีกกี่พบกี่แสนชาติก็ไม่ทราบจะละหกละเหินไปในอบัยพูมิไปในสุขติภูมิหรือไปในรูปภูมิหรือรูปภูมิอย่างไรก็ไม่รู้ในอนาคตเราไม่รู้ใช่ไหม และความเป็นไปของขันท่าอายตนะในปัจจุบันก็ไม่ทราบในปัจจุบันรู้ั้มว่าตาเห็นรูปใชไมเกิดจากขูญญาณการประชุมกันอย่างนี้แล้วก็แหมมีขันห้าเกิดขึ้นอยายตนะจากเป็นต้นเนี่ยพอจากขูประสาทเกิดขึ้นกันนี่จากขายายตนะเกิดใช่รูปปารณมมากระทบกันนี่รูปลายตะจากขูนญาณเกิดก็ น, นี่จากเอ่อจากขมนาอายตนะเกิดอาศัย สอย่างประชุมกันแล้วเป็นถัดสานี่บอกว่าเออนิกรูปารม์เป็นรูปายตนะจักขูปัสสาดเป็นรูปรูปขรรค์ตัวนั้นแล้วก็จักขูวิญญาณเป็นมณายาตนะเราก็ไม่เห็นเป็นอายตนะแบบนี้เป็นรูปายตนะจักขายาตนะเป็นมณายาตนะเกิดขึ้นหรือเป็นรูปขรรค์เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันค์เกิดขึ้น หรือเป็นรูปธาตุจักขู่ธาตุจกักขูญาณธาตุเราก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้เห็นโดยความเป็นขันธาตุอายตนะกําลังดําเนินไปอยู่แต่เราเห็นโอ้ยคนนั้นดีใจเห็นไหมไม่เคยเห็นบอกว่าเนียขันธาตุอายตนะกําลังร้องไห้ขันธาตุอายตนะกําลังดีใจขันธาตุอายตนะกํ า, ากลังเดิน ขันธาตุอายตนะกําลังนั่งขันธ์ธาตุอายตนะกําลังนอนเนี่ยไม่ไม่เห็นอย่างนั้นเนอะขันธาตุอายตนะกําลังละอายใจขันธ์ธาตุอายตนะกําลังโกรธเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลหมดเลยนี่มันปิดเห็นแท้ไหมเห็นคําว่าวิชาเป็นแบบนี้อวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นเป็นแบบนี้มันปิดสนิทใช่ไหมไอ้ที่ปิดสนิทคืออวิชาปิดใช่ไหม พูดไปพูดมานี่กําลังกล่าวโจมเตียววิชาอยู่นั่นเองกาลังกล่าวโจมเตียววิชาทีนี้ไม่รู้ความเป็นไปของขันทาตทั้งในอดีตและก็ในอนาคตก็ไม่รู้นะหรือความไม่รู้ในรูปนามที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทดังคืออิทับปัจิยตาเดี๋ยวทําว่าคําว่าอิทับปัจิยตาเนี่ยนะในข้อที่แปดเที่ยวอีทับปจิยะ นี่คือสังกตธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งคำคำว่าอิทัพปัจยตาเนี่ยคือภาวะของธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงลักษณะทั่วไปที่กล่าวไว้แล้วมิได้หมายความตามที่คือว่าลักษณะของคําว่าอีทัพปัจยตาเนี่ยคือเป็นตัวสังกตธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเองคำว่าสังกตธรรมในที่นั้นได้แก่อะไร อิทับปัจจะยะคือปัจจัยของชรามรณะเป็นต้นเน่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นในคัมภีร์วิสุทธิมาร์กนะที่ท่านแสดงสมุดปฏิจจสมุบาติเป็นชไหนอิทับปัจจยตาเป็นช่นไหนบอกว่าชลามารณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยถามว่าชรามรณะมีในเพราะอะไรมีเป็นปัจจัยเพราะชาติใช่ไหมและชาติมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจัยแก่ชาติพบใช่ไหมพบมีเพราะ อุปาทานอุปาทานมีเพราะตัณหาตัณหามีเพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภาษาภาษาเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยภาษาเพราะมีอะไรอายตนะอายตนะมีเพราะนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอวิชเพราะสังขารสังขารมีเพราะเห็นไหมลักษณะการแสดงอย่างนี้ก็เพราะว่า พระเจ้าดูก่นทิกสุดทั้งหลายปฏิจจสมบัติเป็นเะไหนชรามรณามีพ่อชาติเป็นปัจจัยพัตถาโคตทั้งหลายเสด็จอุบัติเกิดขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นก็ตามภาวะนั้นที่เป็นอยู่ตั้งอยู่ตามธรรมดาความแน่นอนของธรรมภาวะของธรรมมีปัจจัยปรุงแต่งก็ดำรงอยู่สังขารย่อมมีพาะอวิชชาเป็นปัจจัย พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติเกิดขึ้นก็ตามไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นก็ตามภาวะของธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ดำรงอยู่ดูกอรอักภิกษุทั้งหลายความจริงแท้ไม่คลาดเคลื่อนไม่เป็นอย่างอื่นภาวะของธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ในธาตุนั้นอันนั้นดูกนภิกษุทั้งหลายนี้คือปฏิจจสมบาทนะ ปฏิจจสมบาทก็คือลักษณะทั่วไปของการมีปัจจัยปรุงแต่งตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะเนี่ยลักษณะของอิทัพปัจจยตาหรือปฏิจจสมบาทเนี่ยความปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นแต่สภาวธรรมเหล่านี้เขาก็มีของเขาอยู่แล้วมีเป็นอย่างนี้คนรู้จากปฏิจจสมบัท จ, จริงละพ้นทุกได้เนะียถ้ารู้จริงๆริะพ้นทุกได้ นี่เป็นอย่างนี้นะ เ, นเมื่อไหร่จะรู้จริงๆริงดีเนี่ยแต่รู้จริงๆแล้วพ้นทุกข์ได้ที่นี้ในย่างการแสดงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอัฏฐาย้อนไปดูหน่อยคือการสามที่กันแสดงเนี่ยอติตอัฏฐาอะไรคืออติตอัฏฐาอาวิชาสังขารเป็นอดีตเหตุวิญญาณนามรูปสรายตนผาผัสสเวทนาตันหา แล้วก็กรรมมาเพราะว่าเป็นปัจจุบันนะอาาัฏฐาองค์ทัมแปดที่อยู่ตรงกลางนี่นะเป็นปัจจุบันะอาาัฏฐาแล้วก็ชาติชารามรรณเป็นอนาคตอาาัฏฐาหรือเป็นอนาคตนี่คืออาาัฏฐาองค์สิองนับยังไงอวิชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปสรายาตนาภาษาเวทนาตัหาอุปาทานเพราะวะ ชาติชรามรนะนี่เป็นองค์สิบสองนะอาการยี่สิบนับยังไงอาการยี่สิบนับได้ไหมอาการยี่สิบก็นับกันยังไงอาการยี่สิบนี่นับยังไงยมสรีนับที่นับอาการยี่สิบให้ดูนับยงไงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อวิชาสังขารตันหาอุปาทานกรรมปภ ะ, ะใช่ไหม นี้เป็นในส่วนของอดีตเหตุหวิญญาณนามรูปตรายาตนาผัสสาเวทนาตันเวทนานี้เป็นปัจจุบันผลหตันหาอุปาทานกรรมมระภาวะอวิชชาและสังขารเป็นปัจจุบันเหตุหแล้วก็ไปวิญญาณนามรูปสรายาตนาผัสสาเวทนาเป็นอนาคตผล5ก็คือความแก่ความตายความดับของวิญญาณนามรูปนั่นแหละรวมเป็นอาการเท่าไหร่ อาการยี่สิบนะอาการยี่สิบนะอาการยี่สิบถามว่าอดีตเหตุเป็นปัจจัยเกิดปัจจุบั น, นผลปัจจุบันในเหตุเป็นปัจจัยเกิดอนาคตผลเนี่ยวิชาปิดหมดเลยไม่เห็นเลยใช่ไหมอาวิชาทำให้ไม่รู้เลยทำให้สัตว์โลกไม่รู้เลยเพราะอดีตเหตุเป็นปัจจัยเกิดปัจจุบันผลและปัจจุบันนเหตุเป็นปัจจัยเกิด อนาคตผลเนี่ยนี่แหละอวิชาเป็นตัวกลางกั้นเนี่ยเขาปิดหนาแน่นเขาปิดอย่างนี้ส่วนที่สเงื่อนต่อเนี่ยนะส่วนที่สเนี่ยนับยังไงส่วนที่สามนับยังไงระหว่างอาดีตเหตุกับปัจจุบันผลต่อกันเนี่ยนะคือระหว่างสังขารและวิญญาณนั่นแห ล, ละต่อกันนี่เป็นส่วนที่หนึ่งตรงนี้ก็ไม่เห็นเงื่อนต่อของวัตตะ อวิชาก็ปิดปัจจุบันใผลกับปัจจุบันในเหตุระหว่างเวทนากับตัณหาเงื่อนต่อในปัจจุบันภพสัตว์โลกก็ไม่เห็นเพราะอาวิชาปิดปัจจุบันในเหตุกับอนาคตผลคือระหว่างกรรมวิภวะกับชาติทํากรรมแล้วต้องทําให้ไปเกิดเป็นต้นเนี่ยนะเงื่อนต่อในช่วงนี้อวิชาก็ปิดอีกไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยไม่เห็น เดี๋ยวไปขยายอีกทีตอนนี้ยังไม่ขยายอ่อันนี้ที่ยวดูก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้เงื่อนต่อเป็นอย่างนี้นะสังเข็บสีจตุสังเขปาเนี่ยนับยังไงจตุสังเขปาฮะลองหาสังเขบที่หาอย่างไง <Okay. S 1> ก็นั่นแหละเป็นสังเข็บหนึ่งก็เหมือนอาการยี่สิบนั่นเองแต่นี่นับเป็นสังเข็บหนึ่งจตุสังเขปาเนี่ยนะนับเป็นสังเข็บหนึ่ง แล้วก็อะไรอีกสังเขปหนึ่งวิญญาณ น, นามรูปสราเยตนาภาษาเวทนาตัณหาอุปาเออันนี้เป็นสังเขปหนึ่งแล้วก็แท้จริงก็คือว่าปัจจุบันในเหตุนั่นแหละเออเออขออภยัยอดีตเหตุหนับเป็นสังเขปหนึ่งปัจจุบันผลรวมกันนับเป็นสังเขปหนึ่งปัจจุบันในเหตุตัณหาอุปาทานกรรมปวะ อวิชาและสังขารก็นับเป็นสังเขปหนึ่งแล้วก็วิญญาณนามรูปสรายะตนะผัสสะเวทนาที่จะไปรับในอนาคตนั่นก็เป็นอีกสังเขปหนึ่งอันนี้ลักษณะของสังเขปนี่เป็นอย่างนี้นี่นี่คือสังเขปเพราะว่าคำว่าสั ง, งสังเขปในที่นั้นก็แปลว่ารวบรวมไว้เป็นหมวดหมวดการรวบรวมธรรมที่เป็นประธานไว้เป็นหมวดหมวด ใช่ไหมเอวิชาสังขารที่เป็นอดีตเหตุเนี่ยอันนี้หมวดหนึ่งนะหมวดหนึ่งก็คือเป็นหมวดหมวดนั่นเองแต่นี้ก็เลยดึงตัณหาอุปาทานกรรมมรภวะมารวมเข้าไว้ไหมก็ถือว่าเป็นหมวดหนึ่งของเขาก็เป็นสังเขปวิญญาณนามรูปสรายาตนาผัสสเวทนาก็เป็นปัจจุบนันผลก็หมวดหนึ่งหรือสังเขปหนึ่งนั่นเลยก็รวมไว้เป็นสังเขปเป็นหมวดตัณหาอปาทานกรรมมรรภาวะ แล้วก็อวิชาสังขารเป็นปัจจุบันเหตุก็เป็นสังเขปเป็นหมวดแล้วก็ชาติชารามวรณานี่นะก็ดึงเวทดึงภาษาเวทนาสัญญาเนี่ยนะเออขออภัยดึงไอ้วิญญาณนามรูปสารายตนะภาษาเวทนามาก็เป็นสังเขปนึงนี่เข้าใจนะสําหรับโสกาปริเทวะทุกขโทมนานะสาวปลายาตทั้งห้าเนี่ยทรงค้อเข้าอยู่ในหมวดที่สี่นะก็คือหมวดสุดท้ายนะั่นแหละ ไอ้หมวชาชาลามรณาเนี่ยเลยเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นทุกจรนะไม่ได้ผลโดยตรงตีนิวัตตานิอะไรนะวัตตาสามในวัตตาสามนี่มีกิเลสวรรัฏกามวรรัฏแล้วก็วิปากรวรรัฏคําว่าวัตตานี่ก็แปลว่าการหมุนเวียนการหมุนเวียนนะเหมือนการหมุนวนของวงล้อใช่ไหมเกยเห็นวงล้อไหม วงล้อหมุนน่ที่เราไปเห็นก็หมุนหมุนเลยวะเนี่ยแหละคือลักษณะของวัตตะถ้าถามว่าอันนี้อะไรหมุนอะไรหมุนทำใดย่อมหมุนอยู่ไปเรื่อยๆทำเหล่านั้นจึงเรียกว่าวัตตะอะไรหมุนกิเลสหมุนอวิชชาตันหาอุปาทานนี่หมุนไหมหมุนไม่หมุนดูที่อวิชชาตันหาอุปาทานนี่กิเลสนี่นะมันหมุนเน่ย ลักษณะอย่างนี้คือตัวกิเลสมันหมุนกรรมวัฏเราได้แก่กรมมกกรมภวะแล้วก็สังขารไอตัวสังขารนี่ยปุญญาพิสังขารนี่ยปุญญาพิสังขารอเนีนชาพิสังขารแล้วก็ตัวกรรมเจตนากรรมยี่สิบเกเจตนาที่ในอกุศลแลเจ็สิบสองเจตนาที่ในอะไรกันมหากุศลเจตนาที่ในรูปกุศลเจตนาที่ในอรูปกุศลนี่แหละกรมมะรมภวะนี่แหละหมุน ทำกรรมอยู่ไหมและอย่างหนึ่งวิปากวัฏได้แก่อุปติภวะแล้วก็วิญญาณนามรูปสรายาตนาภาษาเวทนาชาติชาราบรณะอันนี้เป็นวิปากวัฏหมุนไม่หมุนไม่ไหนชีวิตจริงๆมันหมุนอยู่อย่างนี้ไหมกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมได้วิบากกันหมุนอยู่ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฏตาสามแ ท, ท้จริงให้สังเกตดูไหมว่าในระหว่างที่วัฏตะหมุนกิเลสวัฏหมุน อวิชาแล้วก็ตันหาหมุนไปด้วยไหมอวิชาตันหาประทานหมุนไหมหมุนเลยจะมแล้วไหนขณะที่กรรมวัดคือสังขารแล้วก็กรรมภวะกะระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่เห็นไหมไอตัวปฏิจจานี่ก็เป็นไปแล้วหรือวิญญาณนามรูปสรายตนาผัสสเวชนาชาิชรามรณะ มันก็ตามไปกันแล้วเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวัตตะอ่ะต่อไปก็คือมูลสองมูลสองวัตตะรมทั้งปวงตั้งอยู่ในที่นั้นเนี่ยทำเป็นที่ตั้งของวัตตะรมเหล่านั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่ามูลทําเป็นที่ตั้งนะเป็นเหตุของวัตตะทั้งปวงได้แก่อะไรมูลสองเนีมูลสองอยู่ตรงไหนโดยทีอะไรเป็นมูลอวิชชาเนี่ยเป็นมูลของอะไรอวิชชาเป็นมูลของอะไร เป็นมูลของปุพพันตะพระวจักน่าไม่ถึงเวทนาลองไล่โดยที่ลองดูงดูวงล้อแรกอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนาภสษาเวทนาเห็นให้สังเกตดูที่ว่าพอตัวอวิชามุนเห็นลักษณะอย่างนี้คือปุพันตะพระวจักเขาแปลพระวจักแรก เป็นเพราะวจากรแรกแต่ถ้าดูตัณหาเป็นมูลแห่งอปรันตะเพราะวจักรนี่เป็นเพราะวจากหลังพอตัณหาอุปาทานกรรมชาติชรามรณะ<ม>เห็หมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถ้าเราดูในวงแรกก่อนนืกลับมาดูวงของอวิชชาเนี่ยอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปตรายาตนณผัสสะเวทนาถามว่าพออวิชชา อวิชาเกิดขึ้นนะมีตันหาอุปาทานกรรมเห็นไหมอวิชาเนี่ยอวิชาสังอวิชาสังขารลักษณะว่าอาวิชากับสังขารเนี่ยถ้าดูช่องในเนี่ยจะเห็นตันหาอุปาทานกรรมตามไปด้วยแล้วพอบอกมาวิาวญญาณ น, นามรูปสรายาตนาผัสสะเวทนาหนไหมไชาติชราอยู่ข้างในก็เข้าไปด้วยเห็นไหมชาชลามรณะ ก็เข้าตามไปด้วยโดยสรุปแล้วก็คือว่าในอดีตอวิชามุนตันหาปาทานกรรมพวะต้นต้นก็หมุนตามพอเวทพอวิญญาณนามรูปสรายตนาภาษาเวทนาหมุนชาติชารามรณะก็ตามพอมาในปัจจุบันภพบในอัปรันตาพระวัจัก